มเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชีวิตวันนี้เราจะมาฟังเรื่องความสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกชน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรพระพุทธเจ้านี้ก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อของพุทธศาสนิกชนนี่พวกพุทธศาสนิกชนคือพวกเราที่มีจิตฝ่ายธรรมมีจิตเชื่อมใสายศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราเป็นเหมือนลูกๆของพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนพ่อของพวกเรานี้ท่านเป็นมาเศรษฐีท่านมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดในโลกนี้ จะมีคุณค่าเท่ากับทรัพสมบัติของพระพุทธเจ้าต่อให้มีทรัพสมบัติของมหาเศรษฐีทั้งหมดในโลกนี้มารวมกันคุณค่าของทรัพสมบัติของมหาเศรษฐีของทั้งโลกนี้ก็มีน้อยกว่าคุณค่าของทรัพสมบัติของพระพุทธเจ้า ทรัพสมบัติของพระพุทธเจ้านี้เป็นทรัพที่จะทำให้ผู้ที่ครอบครองทรัพนี้ได้เป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะว่าเมื่อได้มีทรัพสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีความอยากได้ทรัพสมบัติอะไรอีกต่อไปเลยนี่แหละคือความเป็นเศรษฐีที่แท้จริง ต้องมีทรัพย์ที่เลิกที่วิเศษที่ประเสริฐที่เลิศโลกที่ทำให้ไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปถ้ายังมีความอยากได้ทรัพย์อยากได้อะไรต่างๆอยู่ก็ไม่ต่างจากขอทานดีๆนี่ขอทานนี่เขาก็ยังอยากได้ทรัพย์อยากได้อะไรต่างๆ ถ้าเป็นเศรษฐีถ้ามีทรัพย์สมบัติเป็นระดับเศรษฐีของโลกแล้วยังมีความอยากได้เพิ่มขึ้นอีกนี่ก็เรียกว่ายังเป็นขอทานอยู่ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีจริงถ้าเป็นเศรษฐีจริงแล้วไม่สนใจกับอะไรแล้วพอแล้วทรัพย์ที่มีอยู่นี่ <c oughs> เหลือกินเหลือใช้ไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดให้ความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้รับจากทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้อันนี้แหละคือทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าได้สงทิ้งไว้ให้พวกเราเป็นมรดกตกทอดพวกเราทุกคนนี้ สามารถที่จะรับมรดกตกทอดอันนี้ได้รับทรัพย์อันประเสริฐอันเลิศได้เพราะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าจะส่งมอบให้กับพวกเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือวิมุตตินิพพานนี่เองวิมุตติคืออะไร มือมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกต่างๆที่เรามีกันในใจนี้เันทุกที่เกิดจากความแก่ทุกที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ปวด่วยทุกที่เกิดจากความตายทุกที่เกิดจากการพัดพลากจากกันจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเอีกต่อไปถ้าเราได้รับมรดก จากข้อพุทธเจ้าคือได้รับวิมุตติและทรัพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือนิพพานนิพพานก็คือบรลมะสุขนี้นิบานังบัมังสุขขังความสุขที่เป็นบรลมะสุขเป็นความสุขสุดยอดของความสุขไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขของพระนิพพาน กเป็นความสุขที่ถาวรยั่งยืนไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือคุณสมบัติของทรัพย์ของมารด ล, ลกที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้เอาไว้ครอบครองเพื่อให้จิตใจของเราได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นมลลมนิสุขนี้ นี่หละคือมรดกตกทอดที่พระเจ้าได้สงมอบไว้ให้กับลูกๆผู้ที่มีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า mm. มีสิทธิที่จะรับมรดกก้อนนี้ได้ทุกคนเพราะมรดกก้อนนี้ยิ่งใหญ่มหาศาลเรา mm. ให้มีผู้มารับกี่ล้าน มีแสนล้านคนก็มีพอเพียงที่จะแบ่งจะแจกใจ่ายให้ทุกคนเท่ากันหมดเ mm hmm. พราะนี่แหละคือความวิเศษของทรัพย์ของพระพุทธเจ้า mm hmm. มีความปริมาณแบบ mm hmm. ไม่มีขอบไม่มีเขตผู mm ้ใ hmm. ดต้องการสามารถมารับไปได้ทุกคน mm hmm. แล้วก็ไม่ทรงห้ามไม่ทรงแยกแยะว่าเป็น เป็นชาวอะไรที่จะมารับมรดกไม่ใช่ยําเป็นจะต้องเป็นชาวอินเดียเหมือนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับประชากรทั้งโลกใครก็ตามถ้ามีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถที่จะ รับมรดกอันประเสริฐนี้ได้ทุกๆคนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆร า, าวาสผู้คองเลินทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกเคอรมิมุตินี้ผ่านได้ทุกๆคนแต่มีเงื่อนไขในการรับมรดกนี้เท่านั้น จะต้องมีการทำการตามเงื่อนไขที่มีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติหรือปริยัติธรรมข้อที่สองหลังจากที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการที่จะรับมรดกแล้ว ข้อที่สองก็ต้องปฏิบัติคือต้องมีการดำเนินดำเนินการตามที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้มาว่าการที่จะได้รับมรดกอันพิเศษนี้จะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรพอได้เรียนรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ต้องมีการดำเนินการถึงจะได้ถึงจะได้ข้อที่สามข้อที่สามก็คือหลังจากที่ได้ ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก<ม>็จะได้ข้อที่สตามมาคือได้ปฏิเวทคือได้รับผลของการปฏิบัติได้รับมรดกได้รับวิมุตติได้รับนิพพานนี่คือกฎกติกาของการที่จะรับมรดกอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐ ข, ของพระพุทธเจ้า จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือปริยัติธรรมศึกษาเพราะทำสคสั่งคาสอนข้อที่สองหลังจากได้ศึกษาแล้วก็นำออกไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติติธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะได้ข้อที่สคือปฏิเวทได้ รับผลของการปฏิบัติได้ลดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับไปจนถึงการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงและเข้าถึงพระนิพพาน mm hmm. คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไป mm hmm. นี่คือเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการที่จะมารับทรัッ มารับมรดกของพระพุทธเจ้าสามารถมีสิทธิ์ที่จะรับได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวอะไรก็ตามเป็นชาวไทยชาวจีนชาวชาวต่างประเทศชาวอินเดียชาวในปานอชาวอะไรก็ตา ม, มทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่เลือกวันนะว่าจะเป็น เป็นเศรษฐีเป็นคนยากจนเป็นกษัตริย์หรือเป็นคนธรรมดาสามัญทุกคนสามารถที่จะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่กําจัดไว้ด้วยอายุก็ไม่กําจัดจำกัดจะมีอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าสามารถทำตามเงื่อนไขสามข้อได้ก็จะได้รับมรดกเช่นเดียวกัน เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ mm. เป็นนักบวชก็ได้เป็นผู้ครองเรือนก็ได้ mm. ถ้าทำตามกติกาได้ mm. ก็สามารถที่จะรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้ mm. เช่นกันทุกคน mm. เหมือนกันหมดนี่แหละคือความวิเศษของมรดกของพระพุทธเจ้าไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชนชั้นชาติชั้นวรรณะ mm. ไม่เลือกเผ่าพันธ er ์เชื้อชาติเผ่าพันธ์ไม่เรียกว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรืองสามารถรับได้ด้วยกันทุกคนแต่ต้องรับต้องกระทำตามเงื่อนไขสามประการนี้เท่านั้นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรให้ก็เราทำอะไร เราถึงจะได้รับมรดกคือไร้รับวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์และนิพพานคือบรมลมสัสดุต้องเรียนรู้ก่อนต้องศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรมและการเรียนรู้นี้ก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้จรงิงเห็นจรงิง mm. ผู้ที่รู้จรงิง mm. เห็นจรงิง mm. ก็มีอยู่สองหรือสามนี้เท่า น, นั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm. mm. ผู้ที่ปาถนาจะรับรางวัลจะรับทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้านี้ของพระพุทธเจ้านี้จึงจําเป็นจะต้องถือพระรัตนาตรัเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์คําว่าสารณะที่พึ่งในที่นี้หมายถึงที่พึ่งทางความรู้ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในการที่จะนําเอามาซึ่งวิมุตติสุดพ้นและนิพพานมาเข้ามาสู่ใจได้นอกนั้นแล้วไม่มีใครรู้ได้จึงไม่ควรไปเรียนรู้จากผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งนี้เป็นเหมือนคนตาดี ส่วนพวกเรานี้เป็นเหมือนพวกคนตาบอดอการที่เราจะไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยและไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราต้องมีคนตาดีบอกทางหรือคนตาดีนำทางไปถ้าเราไปหาคนที่ตาบอด เป็นคนนำทางพาพาเราไปเราก็คงจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่คนตาบอดจะพาคนตาบอดไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร <c oughs> ต้องเป็นคนตาดีเท่านั้นที่จะพาคนตาบอดให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ <c oughs> และในโลกนี้คนที่ตาดีก็มีแค่พระรัตนาตรัยนี้เท่านั้น พราะพระรัตนตรัยนี้เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นได้ถึงนิพพานแล้วพาาระอนิยสาาาตสองพระอรหันตสาวกก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้ว <c oughs> เป็นผู้ที่ได้ไปถึงพระ น, นิพพานแล้วเ <c oughs> พระาะทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี่เองเพระพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจาก โลกนี้ไปว่าพวกเราชาวพุทธนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคําสอนที่ทรงได้ตัดไว้ชอบแล้วนั่นเองสวากาโตภะวตาธรรมโมพระพุทธเจ้าบอกว่าทำวินัยอันที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาแทนเราอีกต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสตาถ้าพวกเธอเข้าหาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพวกของเราพระธรรมคำสอนของพระเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่คัมภีร์พระไตรปิฎกที่ได้รวบรวมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งโปรดสัตว์เทศนาสั่งสอนธรรมะต่างๆตลอดเวลา45ปีทุกวันวั น, วนละสามสี่เวลาด้วยกันตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาดโยนตอนข้ามก็สั่งสอนภิสุพิษุนีนักบวช ตอนดกก็สั่งสอนเทวดาแล้วยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเรียงญาณหรือว่าควรที่จะไปโปรดสอนผู้ใดในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษถ้าบุคคลนั้นพร้อมที่จะรับธรรมและอาจจะต้องจากโลกนี้ไปในเวลาอันใกล้พระองค์ก็จะส่ง มุ่งไปที่บุคคล น, นั้นไปตรวจเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเพราะถ้าเขาจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้รับพระธรรมอันประเสริฐติดตัวไปด้วยเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับพระธรรมอีกเป็นเวลาอันยาวนานไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะเห็นความสําคัญของผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐและอาจจะต้องมีการความเป็นไปคือชีวิตอาจจะสิ้นสุดลงในเวลาอัานใกล้พระองค์ก mm ็จะมุ่งไปที่บุคคลนั้นเพื่อโปรดเป็นกรณีพิเศษ mm hmm. และพระธรรมคําสอนทุกครั้งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงนี้ mm hmm. ก็จะมีพระที่ติดตามนี้ จะจดจากันไว้จะท่องจากันไว้แล้วก็นำเอามาแบ่งให้กับพระที่ไม่ได้ติดตามให้ได้ท่องได้เรียนรู้และได้จดจาไว้ด้วยการเรียนรู้การจดจานี้ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ความรู้จากการที่จากคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังสดๆร้อนๆด้วยตัวเองก็ตาม แต่ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งผู้ฟังก็ฟังแล้วก็จดจำเอาไว้จะฟังแล้วจดจำไว้แล้วก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ mm hmm. ได้ประโยชน์สองอย่างคือได้ได้ความรู้ที่จะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติสองได้เก็บรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากโลกนี้ยายุกก่อนนั้นยายุคสมัยพุทธกาลไม่มีสื่อเช่นหนังสือยังไม่มีการเขียนหนังสือจดไว้ในเป็นตัวอักษรแต่มีการใช้ความจำของพระที่มาบวชกันแล้วก็จำกันหลายๆรูปด้วยกันไม่ใช่จำเพียงรูปใดรูปหนึ่งแล้วเมื่อหลังจาก ท, ที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไป หลังจากนั้นสามเดือนก็มีการประชุมของพระอาหารหันตสาวกห้าร้อยรูปด้วยกันนำโดยพร ะ, พระมหากัตสปะพระมหาเถระผู้สี่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะต้องการรักษาและรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของ คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้มีคำสอนอื่นมาปะปนจึงเรียกพระอรหันตะสาวกห้าร้อยลูกด้วยกันผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วผู้ได้ถึงพระนิพพานแล้วเป็นผู้ที่จะรู้ดีที่สุดในเรื่องของคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าให้มาทำการสังขายาณา ก็คือให้มาำทำการชำระมาตรวจสอบคำสอนต่างๆที่พระเจ้าได้ส่งสอนไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้มีห้าร้อยรูปนี้มารับรองมายืนยันเพราะห้าร้อยรูปนี้ก็ต้องมีหลายรูปด้วยกันที่จะได้ยินพระสูตรต่างๆเหมือนกัน แล้วก็จะได้รู้ว่าคนที่จํามาได้นี้จําผิดจําถูกหรือไม่แล้วสามารถที่จะขัดเกลาชําระได้ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดเพราะพระอาหารหันตนี้ท่านรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกท่านรู้ว่าการปฏิบัติอย่างไหนเป็นการปฏิบัติที่ถูก <c oughs> การปฏิบัติอย่างไหนเป็นการปฏิบัติที่ผิดยังมีการสังเกตนา พระธรรมคําสอนเป็นครั้งแรกขึ้นมาในระยะหลังจากสามเดือนหลังจากที่พระเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว<ม>ก็มีพระอาหารหันต์ตัดสาวโลกห้าร้อยรูปด้วยกันมาทบทวนมาชำระให้พระธรรมคําสอนของพระเจ้านี้คงไว้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ด้วยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเอง นี่แหละคือคำสอนที่ได้มีการจดจํามันมาเป็นทอดๆและได้มีการชาระมาเป็นทอดๆมาจนถึงในยุคที่มีการเขียนหนังสือได้<ม>พอมีการเขียนหนังสือได้ก็เลยมีการจดเป็นตัวอักษรเก็บไว้ในพระคำพีที่เรียกว่าพระไตปรปิฎก<ม>คำว่าไตรานี้แปลว่าสา ม, ม, มปิฎกนี้แปลว่าตะกา้า สามตะก้าคือคาสอนของพระพุทธเจ้านี้จะแบ่งไว้เป็นสามสามหมวดใหญ่ๆแบ่งไว้สามกลุ่มสามแต่ละกลุ่มก็ใส่ไว้ในหนึ่งตะก้าเรามีสามตะก้ากลุ่มแรกเราเรียกว่าพระวินยัยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติศีลของพระของนักบวชของพระภิกษุละภิกษุณี ใครอยากจะรู้ว่ า, าพระภิกษุภิกษุณีนี้มีศีลกี่ข้อก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ในพระวินัยปิฎกจะมีบอกตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สอง้อยยิบเจ็ดในกรณีของพระภิกษุและของพระภิกษุณีก็สามร้อยกว่าข้อและในแต่ละข้อนี้จะมีการแสดงถึงเหตุทำไมถึงต้องบัญญัติข้อห้ามเหล่านี้ขึ้นมา อันนี้เป็นเรื่องของวินัยปิดก เ, เป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบกฎกติ ก, ก, กาของนักบวชในพระพุทธศาสนาใครอยากเป็นภิกษุณี<ม>ก็สามารถเป็นได้โดยที่ไม่ต้องใบบวชเป็นภิกษุณีคือคําว่าภิกษุณีนี้ไม่ได้อยู่ที่การบวชไม่ได้อยู่ที่การกนกนหัวห่วมผ้าผ้าเหลืองใจอย่างไดแต่อยู่ว่า สามารถปฏิบัติวินัยของภิกษุณีได้หรือเปล่าศีลของภิกษุณีได้หรือเปล่าที่มีสามร้อยกว่าข้อเช่นเดียวกับภิกษุก็เช่นเดียวกันการเป็นภิกษุนี้ไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวห่มผ้าเหลืองอันนี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องแบบแต่ตัวที่เป็นภิกษุภิกษุณีจริงๆก็คือวินัยนี้เองการปฏิบัติตามธรรมวินัย ตามคําสั่งคําสอนตามข้อห้ามที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้หรือไม่ถ้าสามารถปฏิบัติพระวินัยได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ถือว่าเป็นภิกษุณีหรือเป็นภิกษุแล้วโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมากอนหัวห่มผ้าเหลืองแต่อย่างใดเพราะการห่มผ้าเหลืองการกอนหัวนี้แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินัยนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นภิกษุอยู่ดี ถูกจับลอกข้ามอยู่เรื่อยๆถูกจับถูกจับศึกไปกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เป็นภิกษุแท้นั่นเองเป็นภิกษุปลอมเพราะงภิกษุปลอมคืออะไรก็เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้จึงไม่สมควรต่อการห่มผ้าเหลืองกรศีสะมีข่าวๆอยู่เรื่อยๆว่ามีการจับศึกพระรูปนั้นพระรูปนี้ ขอให้เข้าใจว่าพระที่ถูกจับสึกเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นพระแท้ไม่ใช่เป็นเป็นพระปลอมควรจะดีใจไม่ควรจะเสียใจว่ามีข่าวข่าวไม่ดีในวงการาศาสนาอันนี้เป็นเรื่องของการชำระาศาสนาให้สะอาดบริสุทธิ์เสื้อผ้าของเราเรายังต้องเอาไปซักกันเลยใช่ไมถ้าเราไม่ซักปล่อยใส่ไปเรื่อยๆมันจะสะอาดมันจะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมา เราจะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้เวลาเราเสือ้อผ้าไปซักทำมันไม่เป็นข่าวเฉาข่าวเช้าข่าวโชวขึ้นมา ม, มันเรื่องธรรมดาเรื่องของการซักพอกสิ่งที่โสโปรกให้มันสะอาดออวงการของพระพของศาสนาก็เช่นเดียวกันมีของโสกปรกมันแปลกความเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นที่จะต้องมีการซักพอกกันอยู่เรื่อยๆวิธีซักพอกก็ ตรวนดูพระวินัยนี่ เ, เป็นเครื่องซักพอกของของนักบวชในพระพุทธศาสนาว่ามีพระวินัยครบตามที่พรเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือไม่ถ้าทำไม่ครบทำขาดและถ้าปล่อยไว้ให้อยู่ต่อไปอาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระศาสนาก็ต้องมีการกําจัดออกไปมีการชำระออกไปดังนั้นการชาระ พระปรนี้ไม่ได้เป็นการทำให้ศาสนาเสื่อมเสียแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นการรักษาศาสนาให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นที่มั่นใจต่อผู้ที่มีจิตใจศรัทธาเคารพในพระศาสนาจะได้กราบพระไว้ได้อย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นตะ์จะได้ไม่ต้องมีความแครงอกแข็งใจว่ากำลังกราบพระแท้หรือกำลังกรา พระปลอมกันเพราะว่ามีการคอยกําจัดคอยชำระพระปลอมออกไปจากศาสนาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเวลาที่เราได้ยินข่าวๆเรื่องของศาสนาเกี่ยวว่าการจับพระเสริฐนี้อย่าไปรู้สึกโธโทใจต้องรู้สึกดีใจโอ้มีการชำระแล้วมีการซักลอกศาสนาแนละ้วก็เหมือนกับการเอาเสื้อผ้าเราไปซักเนี่ยเวลาเราเอาเสื้อผ้าไปซักนี่เราดีใจเพราะ สักเสร็จเอากลับมาจะได้มีเสื้อผ้าสารได้ใส่กันอ น, นี้คือเรื่องของพระวินัยปีเดกถ้าอยากจะรู้ว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ก็ลองไปอ่านวินัยของพระดูพราทําอะไรบ้างควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรบ้างอย่างไรอันนี้หนึ่งในหนึ่งในพระไตรปิฎกก็คือพระวินัยปีเดกปีเกอันที่สองเราเรียกว่า พระสูตรตันตะปิดกก็<ม>คือเป็นเป็นเป็นเป็นการรวมเอาพระสูตรต่างๆการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่างๆในแต่ละครั้งเวลาพระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็เรียกว่าหนึ่งสูตรเช<ม>่นเวลาแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวคัคคีในวันอาสาฬหาบูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปด เขาก็ตั้งชื่อพระสูตรนี้ว่าธรรมจากกัปวัตตนสูตร mm hmm. ก็พระสูตรนี้ก็จะเป็นการเล่าเหตุการณ์ต่างๆว่าวันนั้น mm hmm. เป็นวันที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนเ ว, เวลาใดมีใครมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า mm hmm. และธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น mm hmm. มีว่ามีแสดงไว้ว่ายอย่างไร แล้วหลังจากสังแสดงธรรมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบางทีแสดงธรรมเสร็จก็มีผู้บรรลุธรรมขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่ได้ฟังธรรมอันนี้คือเรื่องของพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกวันตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระสูตรเหล่านี้ก็จะมีบรรจุไว้ในพระสูต ร, ร, ต, รตัณฑ์ปีดก ถ, ถ้าเรียกไม่ผิดเนี่ย จะเรียกว่าพระสูตรเนี่ยพระสูตรปิดกก็ได้พระวินัยปิดกแล้วก็พระสูตรปิดกส่วนตะก้าอันที่สามนี้เป็นที่รวบรวมของพระอภิธรรมคำว่าอาภิธรรมก็คือธรรมล้วนๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มีการพูดเล่าถึงเหตุการณ์ว่าแสดงไว้ที่ไหน เ, ออเวลาใดแสดงให้ใครฟัง เพียงแต่เอาทำต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงในแต่ละครั้งนี้มาจัดรวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่เช่นเวลาแสดงอริยสัจสี่เรื่องอริยสัจสี่มารวมกัน แ, แสดงเรื่องมรรคเรื айн, ่องสมุทัยเรื่องนิโรธก็ mm. จะจัดไว้เป็นหมวดหมวดไป mm. hmm. อันนี้เรียกว่าเป็ น, ปนพระธรรมปีดก พ, พระอภิธรรมปิดกก็เป็นคําสอนของพระเจ้าเพียงแต่ว่าได้เอาแต่ ตัวธรรมะล้วนๆมาจัดเป็นกลุ่มอาทีก็จัดเป็นกลุ่นตามหมายเลขกลุ่มนี้มีสามเช่นมีอะไรมีสามภาัตนะไตมีสามไตลักษมีสามอะไรที่เป็นไตนี่ก็จับมารวมกันเป็นเป็นกลุ่มไตก็ผู้ที่ศึกษาจะได้ค้นคว้าศึกษาได้อย่างง่ายดายาถ้าอยากจะรู้เรื่องใดก็ไปหาค้นหาเรื่องนั้นเลย แต่ถ้าเป็นเรื่องของพระสูตรนี้มันจะกระจัดกระจายไปตามพระสูตรต่างๆก็ mm. เลยมีการเอาธรรมะที่กระจัดกระจายในพระสูตรต่างๆนี้มารวบรวมให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เก็บไว้ในพระอภิธรรมปิดก mm. นี่คือที่นี่คือเรื่องของพระไตรปิฎก mm. ที่เป็นที่รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องวินัยก็เป็นวินัยปิฎกถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องสุดสุดสุ ด, สดตันต์ปิฎกถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเอาธรรมะต่างๆมาจัดเรียเป็นหมวด เ, เป็นหมู่ก็เรียกว่าอาภิธรรมปิฎกนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นศาสาดาแทนพวกเรา ถ้าเราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่แล้วเราก็จะเหมือนกับได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยเช่นถ้าเราไปอ่านพระธรรมจากกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเราก็จะเหมือนกับได้ยินได้ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าตัดออกมาโดยตรงเลยเราก็อ่านไปฟังอ่านไปอ่านไปใจก็เกิดความเข้าใจเข้าใจธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงได้ นี่คือแหล่งของธรรมะที่เราต้องเข้าหาต้องไปหาแหล่งที่เป็นธรรมแท้อย่าไปหาแหล่งที่เป็นธรรมปลอมถ้าเป็นหนังสืออย่างอื่นที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปว่ามาจากที่ไหนไม่ควรที่ไปศึกษา ใ, ให้ศึกษาจากแหล่งที่แน่นอนก็ดีกว่าปลอดภัยกว่าจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่ถูกหลอกศึกษาจากควาตายไปด้ ถ้าอยากจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการคัดกรองได้รับการชําระมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไปศึกษาที่พระไตรปิฎกอีกแหล่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะศึกษาได้ก็คือศึกษาจากพระอริยสงสาวกพระอรหันตสาวกท่านเหล่านี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้หลุดพ้นได้วิมุตติหลุดพ้น ได้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นบรมีสุขแล้วทำที่ท่านแสดงนี้ก็ไม่ต่างจากทำที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้สามารถศึกษาธรรมของท่านของพระอรหันหตสาวกทั้งหลายได้ถ้าเป็นหนังสือก็อ่านได้อย่างสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลถ้ายังมีตัวตนอยู่ถ้าได้ไปอยู่ได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติกับท่านก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาอย่างยิ่งที่มี ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงมาสอนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ น, นี่คือแหล่งที่เราควรจะไปศึกษาเบื้องต้นนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยสงสาวกไม่รู้ว่าพระรูปไหนเป็นพระอรหันตสาวกหรือไม่เป็นสิ่งแรกที่เราควรจะทำก่อนก็คือศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนให้รู้แบบคร่าวๆว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องทาอย่างไร เราก็ต้องศึกษาธรรมจากกับปวัตนสูตร <Okay. S 1> ท่านจะสอนเรื่องเรื่องของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรคือสอนเรื่องอริยสัจสี่ <Okay. S 1> ทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากถ้าทุกข์จะดับไปได้ก็เกิดจากการมีมัสมละกิเลสตัณหา <Okay. S 1> มาชําระมากำจัดกิเลสตัณหามัคคืออะไรมัค ก, ก็คือปฏิปทาการปฏิบัติ ที่มีแปดข้อใหญ่ๆที่เรียกว่ามรที่มีองค์แปดหรือถ้าย่อลงมาก็ศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น mm. น, นี่ขอให้เรียนรู้อันนี้ไว้ก่อน mm. วิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์วิธีที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเข้นิพพานา น, นอกจากนั้นก็มีพระสูตรที่มาเสริมความรู้อันนี้เช่นพระอนัสละคณสูตร mm. สอนวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, ม, ม, มีแต่เป็นธรรมชาติเป็นเสียงแต่ไม่มีคนที่มาทำให้เป็นเสียง เ, เสียงของธรรมชาติเสียงลมพัด รูปของต้นไม้ใบหญ้ารูปของอะไรต่างๆรูปของร่างกายมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดราาัจฉานมีล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในรูปเหล่านั้นนี่เรียกว่าพระ ส, สูตรที่เรียกว่าอนัตตลักษณ์สูตรอีกพระ ส, สูตรหนึ่งที่จะสอนให้เราเข้าใจดีขึ้นทางปัญญาก็คือพระอาทิตยะพระอาทิตตปริยาตยาสูตร อันนี้จะสอนว่าให้เราเห็นโทษของตามาคุณห้าให้เห็นว่าลูกเสียงกิดรดนี้มันเป็นเหมือนไฟถ้าไปเล่นกับไฟแล้วมันจะเผาเราถ้าไปเล่นกับลูกเสียงกีดลรนแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกทุกวันที่เราทุกนี้ไม่ได้ทุกเพราะอะไรทุกกับลูกเสียงกีดลรนลูกเสียงกีดลดนของไทยเลยแล้วของคนที่เรารักที่เราชอบนี่แหละเวลาเขาทิ้งเราไปเขาจากเราไปนี่มันสุกแล้วมันทุกกันแน่ น้องห่มน้องไห้กินขกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวันๆ <î ns> ก็เพราะว่าไปหลงรักเขาไปยึดไปติดเขา <î ns> ไปอยากให้เขาให้ความสุขกับเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่พอเขามีอัไมีอันเป็นไปเพราะเขาเป็นอ น, นัตตาห้ามเขาไม่ได้เขาจะเกิดจะดับเขาเป็นอนิจจัง <î ns> ห้ามเขาไม่ได้ <î ns> ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเรา ก็ทุกขึ้นมาทันทีนี้ท่านบอกมันเป็นไฟอย่าไปเล่นกับลูกเสียงกินอย่าไปเล่นกับคนนั้นคนนี้อย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ของที่เราจับต้องได้ด้วยตาหูจมูกลิก้นกายนี้ถือว่าเป็นไฟทั้งนั้นอย่าไปเล่นกับไฟถ้าอยากจะเล่นให้มาเล่นกับธรรมะของเย็นดีกว่าให้มาเล่นกับธรรมะคือบุญชนิดต่างๆทาบุญแล้วจะไม่มีไฟไหม้เรา ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีไฟมาไหม้ใจเรามีแต่ไฟที่จะไปเผาเผาไหม้ามากิเลสที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเราธรรมะนี้จะแผดเผากิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือพระอาทิตตปริยายาสูตรอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือทสติปัฏฐานสูตร พระสวดนี้จะสอนวิธีการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาตามลาดับการที่เราจะหลุดพ้นจากทุกได้การที่เราจะเข้าถึงพระนิทานได้เราต้องมีปัญญาเพื่อตัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายกับเวทนาและกับจิตใจและการที่จะ มีปัญญาได้ก็จําเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนและการที่จะมีสมาธิก็จําเป็นที่ต้องมีสติ <Yeah. S 1> เลยสอนให้เจริญสติก่อนฝุกสติทั้งวันทั้งแต่ตื่นจนหลับ <Yeah. S 1> เดินยืนนั่งนอน <Yeah. S 1> ไม่ให้คิดอะไรให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการการะทําต่างๆของร่างกาย <Yeah. S 1> พอมีสติพอที่จะนั่งสมาธิได้ก็มานั่งหลับตา พอนั่งหลับตาก็ให้ดูลมหายใจเขาออ้าให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเขา้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวปล่อยให้ลมหายใจตามธรรมชาติของเขาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีเพียงแต่ให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นอย่างนี้ถ้าคอยเฝ้าดูลมอย่างเดียวจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าไปคิดเรื่องอื่แสดงว่าเผลอแล้วไม่ได้ดูลมแล้วถ้าสามารถดูลมได้ไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจมีพลังมีพลังที่จะสามารถหยุดตันหาความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็เอาปัญญานี่มาสอนใจ สอนให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตเพราะไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นเวทนาหรือเป็นจิตก็เป็นปายรักทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะว่ากปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตาแต่มันไม่ได้เป็นนิจจังเป็นอัตามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็เลยทุกขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังอยาให้มันเป็นอัตา หมายให้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือพระสูตรคือสติปัฏฐานสูตรแล้วะสูตรอีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้เพราะเป็นพระสูตรที่สรุปการดำเนินตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสุดท้ายคือพระนิพายนก็คือ พระมงคลละสูตรมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดข้อการกระทําที่เป็นมงคลสามสิบปดข้อจะนําผู้ปฏิบัติจากข้อที่หนึ่งไปสู่พระนิพพานได้ถ้าทําตามทั้งสามสิบแปดข้อได้ข้อที่หนึ่งก็สอนให้เราเลือกคบคนอย่าไปคบคนตาบอดให้คบคนตาดีคนตาบอดก็คือคนที่ไม่มีธรรมะนี่เองคนตาดีก็คือคนที่มีธรรมะ คนที่มีธรรมะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนตาบอดก็คือคนที่ไปเที่ยวตามบาตตามผับนี่แหละคนตาบอดไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ที่จะนำความทุกข์มาให้กับตัวเองให้เลือกคบคนดีคบคนตาคนตาดีอย่าไปคบคนตาบอดเป็นต้นอ่านดูสารสบถทั้งสบปดข้อลองตรวจดูว่าเราทำข้อไหนได้บ้างหรือือเราทำข้อไหนยังไม่ได้หรือทำผิด คบคนตาดีหรือคบคนตาบอดอยังคบคนที่ชอบไปช้อปปิ้งหรือเปล่ายัางชอบคบกับคนที่ชอบไปเที่ยวหรือเปล่ายังคบกับคนที่ชอบไปดื่มสุรายาเมาหรือเปล่าถ้าคบคนแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นมงคลต่อชีวิตไม่ได้นำไปสู่การหนุดพ้นวิมุติไม่ได้ไปาไปสู่พรนิธานตามลำดับอันนี้คือมงคลล่ะสูดฐสบก็ นี่คือพระสูตรโดยสรุปที่เราควรจะศึกษาห้าพระสูเนี่ยก็เราจะได้มีมาตรฐานที่เราจะไปวัดกับเวลาที่เราต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เราก็ใช้วิธีวัดที่คําสอนของท่านนี่แหละครับว่าคําสอนของท่านตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ หรือขาดกันตรงไหนอย่างไรถ้าขาดกันก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ดีกว่าเชื่อพระไตรปิฎกไว้ดีกว่าอย่าไปเชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นอย่างไร <air. S 1> เราไม่มียานอย่างทราบเข้าไปดูว่าอจิตของท่านเป็นพระโสดาหรือเป็นพระอนาคาคาหรือเป็นพนาารนะอรหันต์แล้วมองเห็นแต่หน้ารู้แต่รู้แต่หน้าแต่ใจไม่รู้ว่าเป็นอะไร ถ้าเราไม่รู้ใจว่าท่านเป็นอะไรวิธีวัดใจของท่านก็วัดที่คําสอนของท่านว่าตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าตรงกับคําสอนก็เชื่อได้ปฏิบัติตามได้ถ้าไม่ตรงกับคําสอนก็ต้องแขวนไว้ก่อนก็ไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ก็ไม่ถึงกับเชื่อก็ต้องลองเอกไปพิสูจน์ดูก็ได้ว่าท่านถ้าให้ทําแบบนี้ทําแล้วได้ผลตามที่ท่านพูดหรือไม่ยอยากจะเชื่อแบบงมงาย เชื่อแล้วก็บางทีได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ว่าได้ผลขึ้นมาแล้วพอฉ่านถามว่าได้ผลมันก็ต้องตอบว่าได้ผลนะอายถ้าไปตอบว่าไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวัวจะน้อยหนะ<ว>้าถามได้อย่างเห็นหรือย่างเห็นแล้วได้อย่างได้แล้วทั้งที่ไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เห็นนยแต่ความเกรงใจคูบาอาจารย์ควท่านจะเสียใจควรท่านสอนเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลอันนี้ไม่ต้องไปเกรงใจนะ บยังไม่ได้ก็บอกยังไม่ได้ยอมรับว่ายังโง่อยู่ไม่ยังไม่ฉลาดพอท่านจะว่าอย่างไงก็ปล่อยท่านว่าไปเราก็พูดตามความเป็นจริง น, นี่คือการศึกษาต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นทู่รู้วจริงเห็นจริงผู้รู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัวกทั้งหลายหรือพระอาาริยสงสาวกถึงแม้ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันตสาวก แต่อย่างน้อยเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของธรรมนะคือพระโสดาบันบนี่ยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้วิมุตร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อยเปอร์เซนยังไม่ได้ถึงพระนิพพา น, านแต่อยู่ในกระแสที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนไม่หลงทางพระโสดาบันก็สอนได้แต่ยังสอนไปไม่ถึงขั้นสูงสุดแต่สอนให้เข้าในกระแสได้ ทำให้เข้าไปอยู่ในกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ mm. พระ อ, อริยมี4ูรสี่ระดับพระโสดาบันระดับที่หนึ่งดับความทุกข์ได้บางส่วนได้สามในสิบส่วนพระสกิรดาคามีทำให้อีกสองข้อเบาบางลง mm. ส่วนพระนาคามีดับความทุกข์ได้ห้าในสิบได้ครึ่งหนึ่ง หลืออีกครึ่งหนึ่งที่ยังดับไม่ได้ต้องเป็นพ้าอาหารหันต์ถึงจะดับความทุกข์ได้ร้อยปอร์ซแต่ท่านเหล่านี้รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่ใช้อริยาาสัจสี่เหมือนกันใช้ไตรักษเหมือนกันใช้สติเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่มีกำลังพอที่จะเอามาหยุดความดับความทุกข์ต่างๆได้ตามกำลังของผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็จะพัฒนากําลังของสติปัญญาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้ต่อไปอันนี้คือแหล่งของความรู้ของทางพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะเรียนรู้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรียนรู้จากแหล่งของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกทั้งหลาย ปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติด้วยด้วยความถูกต้องแม่นยำผู้นี้ลาจจะเป็นผู้ที่รับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตารลำดับต่อไปเมื่อท่านได้รับวิบุติได้รับการหลุดพ้นได้รับนิพพานแะล้วท่านก็พร้อมที่จะนําความรู้ที่ท่านได้ จากการไปปฏิบัตินี้เอามาสั่งสอนผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้นนี่คือขั้นที่หนึ่งคือปริยัติธรรมให้เรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนทั้งพระไตรปิฎกเรีย น, นแค่พระสูตรสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิมุติเกิดลิพานขึ้นมาก็พอเพราะคาสอนของพระเจ้านี้สอนสอนในหลายระดับด้วยกัน บางทีก็สอนในระดับสวรรค์ชั้นเทพบางทีก็สอนระดับสวรรค์ชั้นพรหมบางวันกน็บางทีก็สอนให้ปิดประตูบายไม่ให้ไปทำบาปเป็นต้นมันมีหลากหลายด้วยกันซึ่งเป็นความสอนที่ถ้าเราต้องการปฏิบัติเรายังไม่จาเป็นจะต้องไปรู้ก็ได้ให้รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้วิมุตติได้พระนิพพานก็พอพอเรารู้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปน็คือเราก็ต้องออกไปปฏิบัติ รู้แล้วว่าการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องมีมรมครคมรรคก็คือมรรคที่มีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะแปลว่าความรู้ความเห็นชอบความคิดชอบเห็นอะไรก็เห็นว่าทุกเกิดจากอะไรนั่นเองทุกก็เกิดจากปัญหาความอยากทุ ก, กเกิดจากการกระทำบาปนม่ว่าเป็นความเห็นชอบ เมื่อมีการเห็นชอบแล้วก็ต้องคิดทิศต้องคิดชอบคิดอย่างไงถึงคิดว่าชอบคิคว่าไม่ทําบาสนั่นเองอ ไ, มไม่ไม่ไม่คิดไม่ทําบาปคิดในการที่จะกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็จะนําไปสู่การปฏิบัติมรรคข้อที่ข้อที่สข้อที่4ข้อที่ห้าสามมารกรรมันโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องที่ชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ไปพูดติดประเพณีคือไม่ทําบาปนั่นเองแล้วก็ข้อที่ 4, สี่สัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องก็คือการพูดความจริงไม่พูดปดเรียกว่าสัมมาวาจาแล้วถ้ามีอาชีพธรรม า, ากินก็ต้องทํามากินที่ถูกเป็นอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทําร้ายชีวิตของผู้อื่นไม่ทําอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นต้นเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพ น, นี่คือสองข้อแรกเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนี้เป็นเป็นปัญญาส่วนสามข้อต่อมาสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสมม า, าชีวนี้เป็นถึงเรื่องของศีลของการกระทําทางกายทางวาจาต้องการกไม่ทําบาปไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วอีกสามข้อต่อมาคือสัมมาวายามโม ความเพียรชอบสามาสติการละเลิกชอบสมาสมาธิความตั้งมั่นชอบนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติจิตตภาวนาการเจริญสมถภาวนาหรือการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิจำเป็นต้องมีความเพียรเพียรเพียรเพียรเพียรปฏิบัติอะไรก็เพียรปฏิบัติเจริญสติให้เจริญสติทั้งวันทั้งทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้ ไม่ควรที่จะให้จิตใจไม่มีสติคอยควบคุมนลต้องให้มีสติคอยควบคุมทุกอิริยาบถอย่าปล่อยให้จิตเพอ้อคิดไปเพ้อเจอ้อคิดไปเพ้อฝันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนถ้ามีสติแล้วใจจะไม่ฟุ้งซ่านใจจะสงบ น, นี่คือการจเจริญสติเพื่อที่เราจะได้เอามานั่งสมาธิใช้กับกับจิตใจให้บังคับให้มันรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิ ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วการนั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุ้งใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางทีนั่งเพียงห้านาทีทั่นเองดูลมไปห้านาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้พ อ, อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ใครได้ความสุขจากสมาธิแล้วก็จะละความสุขท้งอื่นได้ละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้มีสามีมีภรรยาก็หย่าได้เลิกได้ไปบวชได้ mm hmm. เพราะมันไม่รู้จะอยู่กันไปทําไม mm hmm. เห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข mm hmm. เห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบของจิตเอง mm hmm. ถ้าใครได้สมาธิแล้วรับประกันได้ว่าจะต้องไปเป็นนักบวชไม่ช้าก็เร็ว เพราะว่าเมื่อมีสมาธิแล้วมันจะมีมีความสุขเมื่อมันจะทําให้ปล่อยปล่อยวางสิ่งต่างๆที่จิตไปยึดติดได้เราจะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางจิตอารมณ์ต่ตางๆที่มีอยู่ในจิตได้พ็ mm hmm. ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ความทุกข์ที่เกิดจากการผูกพันความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในกายในเวทนาในจิตก็จะหมดไปทุกข์ก็จะหมดไปจากใจ mm hmm. อันนี้เรียกว่าวิมุตติเกิดขึ้นพอหมดทุกข์แล้วสิ่งที่ปรากฏตามมาก็คือนิพพานบาลมลมุสุนั่นเองพอจิตไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ได้ได้มรรคแปดมากำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดเ mm. มื่อไม่มีความทุกข์หลงลอยอยู่ในใจสิ่งที่กลับคืนมาก็คือความสุขแล้วก็เป็นความสุขแบบถาวร เพราะว่าจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขนั้นอีกต่อไปเพราะสิ่งที่สามารถทำลายความสุขของใจได้ก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแต่พอได้รับการชาระได้รับการกําจัดด้วยมรรคที่มีองแปะแล้วความอยากต่างๆก็หมดไปจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็หมดไปจากใจหมายให้ใจนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจที่มีแต่ความสงบไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่เรียกว่าบรลลัสุขเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสือ่อมไม่ไม่กลายเป็นความทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขต่างๆความสุขต่างๆที่เรามีกันในขณะนี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวก็มีความทุกข์แทรกเข้ามาใหม่ อัน่นี้เป็นความสุขของมานิพันนี้ไม่มีอย่างนั้นมีแต่สุขอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. เรียกได้ว่าบาลมสุขปาลมังสุขขัง mm hmm. อันนี้แหละเป็นมรดกที่พระเจ้าจได้สงมอบให้กับชาวพุทธเราทุกคน mm hmm. ใครก็ตามถ้าอยากจะรับมรดกอันนี้ก็ต้องถือพระรัตนาตรัยถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่ง mm hmm. mm hmm. ทำไมเราชาวพุทธถึงต้องถือเข้ า, เ ข, าเข้าถึงพระรัตนนาตายถือพระรัตนนาตายเป็นสลาณะทำไมต้องต้องกล่าวคำว่าพุทธังสลาณังกชามิธรรมสลาณั ง, ณงกชามิสังฆังสลาณังกชามิเพื่อประกาศให้ผู้และตัวเราเองให้ทราบว่าเราไม่เชื่อฟังใครแล้วนะต่อไปนี้ถ้าคำสอนของเขาขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่เชื่อแต่ถ้าคำสอนของเขาไม่ขัดเราก็ยังเชื่อได้อยู่ ถ้าพ่อแม่สอนให้เราทำนู่นทำนี่ที่เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงสอนเหมือนกันก็เชื่อได้แต่ถ้าพ่อแม่สอนให้เราไปทำบาปนี้เราไม่ต้องเชื่อก็ได้การไม่เชื่อนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเนรคุณหรือไม่มีไม่ได้เป็นการไม่เคารพพ่อแม่แต่อย่างใด แต่เรื่องของเรื่องของความรู้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการในละคุณหรือไม่ในละคุณของการมีความกตัญญูหรือไม่กตัญญูม่มันไม่ใช่นมันเรื่องของการรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าสอนให้ทําในสิ่งที่ผิดก็ไม่ต้องทําแต่ไม่ต้องเถียงเฉยๆไว้พอบอกว่าให้ไปมีมีมมีมีมีเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องไปมีนมีมีคนเดียวก็พอพระเจ้าบอกอย่าไปประพฤติผิดประเพณี แต่พ่อแม่บอกต้องเอาคนนี้นะคนนี้เขารวยได้คนนี้คนแล้วเราจะได้สบายก็อย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตามเพราะมันขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระเจ้านี้ต้องการให้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเชื่อใจกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้จนถึงวันตายแต่ถ้าเราไปนอกใจแล้วมันก็ทําให้ความเชื่อถือนะั่นมันขาดขาดสะบ้านไปแล้วก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอยู่กันด้วยความระหว่าดระแวง จึงต้องสอนให้มีการประพฤติผิดที่ถูกการประพฤติผิดที่ไม่ปิดประเพณีก็คือให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่รักเดียวใจเดียวอย่าไปมองถึงผลประโยชน์อย่างอื่นที่อาจจะมีคนเอามาล่อก็ได้เช่น่ไปเป็นเมียน้อยเขาแล้วเขาก็จะให้เงินอย่างนี้ก็อย่าไปทำํำเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคําสอนของใครถ้าสอนแล้วมันขัดกับหลักธรรมอย่าไปทําตามโดยเด็ดขาดนี่คือความหมายของการเข้าถึงพระรัตนาตรัย เอาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเราจะเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระของพระอริยสงสามโลกท่านนั้นคำสอนอื่นเราก็ศึกษาเชื่อได้ฟังได้ถ้าไม่ขัดกับหลักธรรมคำสอนไม่ได้หมายความว่าถ้าเราถือพระรัตนนาตายแล้วเราไปเรียนหนังสือไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ยังไปเรียนได้ไปเรียนมาหาลัยได้ไปศึกษาวิชาอะไรต่างๆได้ พระวิชาเหล่านั้นมันไม่ได้ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือมีครูมีอาจารย์ศึกษาจากครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงศึกษาจากคนตาดีให้คนตาดีนำทางอย่าไปให้คนตาบอดนำทางถ้าคนตาบอดนำนำคนตาบอดมันก็ไปไม่ถึงไหนออพอได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปก็นอาออกไปปฏิบัติ ตามคำสอนทุกประการจเจริญ ม, มากแปดรักษาศีลสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายาโมแล้วก็เพียรเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้สมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วก็มาจเจริญปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่ว่าทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากตัณหาความอยากทุกดับเพราะอะไรทุกดับเพราะกําจัดตัณหาความอยากได้ด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นไตรลักษณ์เอง เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าทำได้ก็สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะหลุดพ้นได้วิมุตติได้นิพพานตามนับต่อมาอันนี้คือเรื่องของการรับมรดกทางพระพุทธศาสนารับทรัพย์อันเสรฐของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงฝากไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ไปรับได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ขอให้รีบไปรับเสียถ้าบทศิษย์ก็ตอนที่ตายเท่านั้นถ้าตายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับอีกเก็ยังต้องรอโอกาสหน้ารอโอกาสหน้าที่จะกลับมาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เพราะมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็จงอย่ารีบจงอย่าประมาทอยารีบเอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปรีบไปรับรางวัลกันจะได้ไม่เกิดมาแล้วจะได้ไม่เสียชาติเกิดนั่นเอง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาตาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุปกปฏิเอชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสังิชจตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปณะวะโสยถามณิโชติอาวโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตวายโยสุขีทิฆายุโกภวะ อาพิวาธนสีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธัมมาวะคานติอายุวนโนสุขังภาล า, <พ>าัางลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 461 YouTube พระสุชาติไลฟ์350 YouTube ดกร V 46วิทยุออนไลน์6 Clubhouse 5นาคุติ129รวม997ค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยถามได้เลย ค, ครับคุณอาคับพระอาจารย์ก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้นานแล้วเลยยังไม่แน่ใจความด้วยข่าใจอย่างไรแต่ว่าคอยอ่านัง่งยอ่านพระสูตรที่พูดว่าเกี่ยวกับรุง่งกามกรรมทันหายิ่งเราคิดถึงว่าเราเป็นคนรอหรือถ้าเป็นผู้หญิง ฉันเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้ยิ่งแล้วจะมีะกำทัญหาเพื่อคนอื่นและแสดงว่าผมใช่ห้าปีทีวด่ดล่าจากผมอกไปผมมีเพื่อนแนะนำว่าผมความจะออกกำลังกายและแต่งตัวรอและเค่ว่ากราวันผมพัฒนา ความเคียดแบบนี้ผมจะมีความยากมากกว่านานผมควรจะทำยังไงเข้าใจไหมครับอยากจะตัดการอารมณ์อยากจะตัด Sexual i n t นด c o u r สองหไม่ค่อยได้เยยนครับอยากจะตัด Sex, Sexual Desire ใช่ใช่ค่ว่าก็ต้องมองอัสุภาพดูร่างกายดูอาการ32สอง ดูเข้าไปข้างในครับดูใต้ผิวหนังเข้าไป Beauty Skin Deep Beauty Skin d ครั บ, รบพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นหัวใจเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะทำให้ไม่มีความอยากจะนอนกับใครครั บ, รบแล้วก็แล้วก็เอวกับ การออกกำลังกายอยากมีแบบเออก็มันก็ช่วยได้คืออย่าไปกินอาหารมากกินอาหารมากพอมันอิ่มแล้วมันก็อยากจะนอนกันก็ให้กินมื้อเดียวอย่างเงี้ยแบบพระให้กินมื้อเดียวกิน น, น้อยๆอย่าไปกินอาหารที่ส่งเสริมตามอารมณ์เช่นของมันอะไรต่างๆให้กินแบบกินผักกินอะไรเนี้ยเป็นมันก็จะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่ใด้านกาม แต่อยู่ที่กินมากกินน้อยมากกว่ากินน้อยๆถ้าอย่างกินวันละมื้อเดียวเนี่ยก็ช่วยได้แต่ก็ยังยังกำจัดไม่ได้ตัวที่จะกจัดก็คือต้องเห็นอสุภะเวลาเห็นเห็นไทยก็เห็นทะลุเข้าไปั้งเห็นด้วยตาเอ็กซเรย์มองเข้าไปเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ก็ต้องพยายามดูอะนาตมี่บ่อย กาศึกษานาโตมี่ไปเรื่อยๆทำให้เป็นเหมือนหม อ, องเงี้ยหมอเวลามองคนไข้ก็มองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไ<ม>ด<ม>เ้เห็นโครงกระดูกเห็นเห็นศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นเห็นสมองเงี้ยเห็นสิ่งต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็มันก็จะทำให้ความอยากจะมีอินเตอร์คอร์สมันก็หายไปเจากพไหมเ้ารพครับไปก่ก็ แสดงว่าถ้าผมออ ก, กําลังกายผมไม่ควรจะมีเจตนาเพื่อสางกามใหญ่ใช่ไหมมันแค่เพื่อมีสุขภาพใช่ไหมก็มันก็มีส่วนหนึ่งว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลมันให้มันแข็งแรงก็ต้องมีการออกกาลังกายครับพอประมาณอย่าไปบุอย่าไปออฟเ s สซิฟกับมันใช่ใชรักษาเอา ก, กําลังกายเพื่อให้ร่างกายมัน ไม่เจ็บภายในป่วยให้ร่างกายแข็งครังแต่ร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีวันใดวันหนึ่งทําเท่าที่เราทําได้แต่เรื่องของเรื่องของเซ็กซ์นี่มันเกิดจากการไปมองคนว่าเขาสวยงามต้องไปมองมองอีกด้านหนึ่งมองด้านทีไม่สวยงามครับแล้วก็จะมัไม่ได้อยู่ที่ออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายกินมากหรืกินน้อยเรามันอยู่ที่ การมองว่าเรามองว่าสวยหรือไม่สวยคนไม่สวยเราก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปนอนกับเขาใช่ไหมใช่ก็มองทุกคนให้มันไม่สวยะมองเข้าไปใต้ผิวหนังเขา ท, ทุกคนมีกองกระดูกไม่ใช่นะรออะไรนะครับโครงกระดูกสแกลเลตันมีไหมมีทุกคนทำไมมองไม่เห็นนะครับอื ถามถามจะแม่จะแจ๊ที่นี่เขาเรื่องอาการทางอสอเข้าท่องทุกวันเนี่ยเราไปทําดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับทังผืดนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ําดีน้ําเสลน้ําเลือดน้ำเอื่อน้ํามันคนน้ําตาเนื้อเหลืองน้ําลายน้ํามูกน้ำไขข้อน้ํามูดเน ต้องไปแล้วนึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาการ32แล้วต่อไปเวลาเห็นใครก็มองให้เห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ใช่ครับทาได้นะ ต, ต้องพยายาม32ข้อจำไม่ได้เลยเด็กยังทําได้เลยเด็กยังท่องการ32ได้ครับเอผมควรจะค่อยค่อย พยายามปล่อยวางใช่ไหมความเขียบแบบอยากแต็งตัวรอนี่คือตรงกันข้ามกมารธรรมะใช่ไหมครับถ้าอยากจะมารู้เร็วก็ต้องขยันทํามากๆทำํำบ่อยๆถ้าอยากจะให้สําเรา็จเร็วๆก็ต้องทําบ่อยๆทามากๆ <c oughs> ถ้าไม่อยากสําเร็จก็นัานๆทาทีพอในในต่ทั้ทงโลก ส่วนอยากโขจะมีทัศนคติดีแบบนี้ทุกคนอยากเป็นหล่อหรือถ้าเป็นผู้หญิงแล้วอยากเป็นสวยต้องปล่อยวางทัศนคตินี้ใช่ไหมว่าเขาไม่มีธรรมะเข้าหลงไงเขาคิดว่าเป็นหล่อเป็นสวยแล้วจะมีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นข้าศึกชั่วค ร, ราวแล้วก็ต้องแก่คพ อ, อแก่แล้วไงก็ไม่สวยไม่หล่อแล้วทาต่อไปเรื่องอื่นได้ไหมครับอ่า มีเรื่องอื่นทำโอเคครับคุณครับแล้วก็ยังไม่เช่นอากาศที่เหมือนไทยมันร้อนมากแล้วก็มีพร ะ, ะแนะนาว่าผมลงปฏิบัติโดนกลางคืนแล้วก็เริ่มทำเว็บนานเดอาจจะมันไม่สะดวกเพราะว่าบางครั้งผมเดินนอนหลับทีสองทีสามเดือน้ายแต่มันมันสะดุดรู้คำศัพท์นี้ใช่ไหมมัน ก็ว่ามันมันปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งผมเดิน sometimes I wake up at this time sometimes I wake up at another time and it's like uh, not consistent แกาใช่ไหมได้ Speak English better I couldn't understand what you say uh huh. So it's really hot in Thailand, and I'm not yet used to it. And I have some people who suggested that I practice during the nighttime. Uh, but I think when I do this, uh, my schedule is like not as consistent. Sometimes I'll wake up at this time, sometimes I'll wake up at another time. Mm -hmm. I I have good concentration when I practice like during the night, but I'm not sure if this is uh, the right way. Just do what, do what, whatever you can, whenever you can. Mm -hmm. If you want to do a lot of practice, you have to become a monk, and you don't have anything else to do but practice. And if you're still a layman, you have other obligations, you have other things to do, so you don't, you won't have much time for practice. So just do whatever you can, but you have to accept the consequences. You probably won't get much from practice. If you want to get a lot of result from practice, then you have to do a lot of practice. And the best way to do this is to become a monk, yeah. and you can have all the time to do the practice. Okay, k h a n k y u Nakat. q u e t h n a k h t ka. หากเราปล่อยให้คนที่เรารักได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่โดยที่เราเป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยและทุกอย่างที่สมควรแก่สัมมณะซึ่งเราอาจจะเจ็บปวดเสียใจจากการปล่อยนี้แต่เราก็เลือกหักใจการกระทาเช่นนี้จะมีผลมีอ น, นิสงส์อย่างไรคะก็เราก็จะมีความสุขเ ร, เราได้ทําบุญเราได้ <c oughs> เราได้ปล่อยวางเขา เราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาต่อไปถ้าเราไปรักไปโหยของเขาใจเราก็จะกินไม่ได้มาไม่หลับกังวลกับเรื่องของเขาอยู่เรื่อยๆพอเราตัดใจไปได้ยกให้เขายกให้มอบให้พระพุทธเจ้าไปให้ไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็สบาย คำถามฝากถามค่ะการนำเหรียญหรือแผ่นทองเขียนชื่อไว้ใต้ฐานพระเห็นมีบางคนในเน็ตบอกทำให้ติดกรรมทำนองว่าคนไม่ได้อยากไหว้ไม่น่าถูกต้องใช่ไหมคะจริงๆแล้วน่าจะสะดวกเป็นความเชื่อถ้าสบายใจก็ทำได้เพราะตามจริงพอเราตายจิตก็ไปต่อแล้วเหรียญที่ฝากไว้ก็ไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมคะใช่ ความเชื่อด้คําถามจากคุณการชะตาการมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยขยายความคำว่าครบในมงคลข้อแรกเรื่องการครบคนพานค่ะว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าครบและจะนำความเสียหายมาให้เจ้าค่ะก็แบบเสนอสนมไง เหมันเป็นสีกันอเงี้ยคบไปไหนไปด้วยกันกินเหล้าอากินด้วยกันเที่ยวก็เที่ยวด้วยกั น, ยกนอยเงี้ยคบแต่ถ้าเราคบแบบทำอาหากินทำธุรกิจเจยกันอันนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นการคบแบบในในสุในมงคลระดับ ส, สูเป็นการทำพบปะรู้รู้จกักเห็นกันเพื่อทำกิจบางใดอย่างหนึง่งเป็นธุรกิจไป แต่ถ้าคบแบบสนิทสนมไปทําอะไรร่วมกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ควรทําเพราะว่าถ้าสนิทสนมกันแล้วเขาอยากจะทําอะไรเข า, าก็จะชวนเราไปทําด้วยเข<ม>าก็อยากจะไปเล่นการพ น, านันเขาให้อทิษณ์นี้ไปปล่อยเป็ดไห ม, มชวนไปแล้วถ้าไม่ไปเดี๋ยวก็จะเสียเพื่อนเขาต้องไปเราที่หน้าชวนเขาไปไปไปที่ไหนนะไปไปกินเหล้าที่ไหนเขาชวนเขาไปเขาก็ต้องไปกับเรา อันอย่างนี้ไม่คบแบบนี้แต่ครบกับทุกคนได้มีเมตตาต่อคนทุกคนเจอกครก็พบปะกันได้ทั้งสารกันได้แต่มีขอบม่เขตจะไม่รลวมตัวให้ไปกับการกระทําที่ไม่ควรต่างๆคนอยากจะถามคำถามก้ามนมัส ก, การผ้าจานคะ่ะขอากล้าสอบถามเกี่ยวกับการละศักยอาทิคะ่ะมีข้อปฏิบัติอย่างไรค่ะผ้าจาย์ หลักระยะที่สีก็คือการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเนยตอนนี้เห็นร่างกายเป็นตัวเราหรือเปล่าอต้องไม่เห็นว่าเป็นตัวเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเนี่ยไม่มีตัวตนมันเป็นดินน้ํำลมไฟพ่อแม่เป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเราเป็นดวงวิญญาณก็มารับไปครอบครองไว้ชั่วข้าวเราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นการถ้าเราผูกับ ตอนนี้มันเหมือนเป็นการนึกคิดเอาว่าแล้วไม่มีตัวตนนะคะก็อันนี้เป็นเป็นเริ่มต้นได้ใช่ไหมคะพรอาจารย์คิดไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องทําตามที่เราคิดในเวลาไปหาหมอ <c oughs> หมอบอกว่าเป็นมะเร็ก็ก็ <c oughs> อย่าไปตกใจมันเป็นร่างกายของไม่ใช่ของเราเป็มนคนมองร่างกายให้เป็นเหมือนคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าว <c oughs> เราก็ดูแลมันไปแต่เราไม่ทุกข์กับมัน <c oughs> รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันก็จะ เป็นมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะละสกายาทิฏฐิได้แต่ถ้าจะทําไม่ได้ก็แสดงว่าจิตเรามีกําลังไม่พอต้องฝึกสมาธิให้มีกําลังให้มีอุเบกขาค่ะถ้ามีอุเบกขาแล้วเราก็วางเฉยได้ปล่อยวางได้คิดว่าวไม่มีตัวตน ต, ต้องทำสองอย่างต้องทําสมาธิเพื่อให้มีกําลังปล่อยวางแล้วก็มีปัญญาสอนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ได้เป็นร่างกายนะพอมันเป็นอะไรเราก็ไม่ไปทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันแต่เราก็ดูแลมันเพราะมันเป็นคนรับใช้เราจน ก, กว่าเราจะไม่สามารถดูแลมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามธรรมชาติของมันแต่เราจะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปนะคือการละตระกายาทิสติไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บนะอะไรก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้ ในผลเท่ากันหลับนมัส ก, การเจ้าค่ะใกล้ๆนะค่ะใกล้ๆปากเลยค่ะเออคือโยมเคยคุยกับคุณแม่ของโยมอะค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีความสุขดีกินอิ่มนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็รู้สึกว่าอืมในความรู้สึกลึกบางทีอาจจะรู้สึกว่าเออคุณแม่อาจจะประมาทอยู่ไหมหรือว่าการที่ท่านรู้สึกสบายอยูอย่แล้วเป็นบุญของท่านอยู่แล้วอ่ะคะ ก็มันเป็นเรื่องของขณะปัจจุบันเนี่ยแต่คุณแม่ไม่มองรานอนาคตว่าต่อไปร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บตอนนั้นยังสุขสบายได้หรือเปล่าเวลาแก่ทำอะไรไม่ได้กิน <im it> ไม่ได้ยัง <im it> มีความสุขก็เปล่ากินไม่ลงบั่งกินไม่ถ่ายไม่ออกบ้างอะไรปัญ <im it> หา <im it> ต่างๆตามมาตันนั้นยังสุขสบายห <im it> รือเปล่าต้องค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราคุยเรื่องความตายกับ ญาติผู้ใหญ่แล้วท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีเรื่องที่แบบว่าเป็นอภิปปมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีแนวแนวทางการคุยกับทา่านยังไงบ้างเจา้าค่ะเราก็ต้องดูว่าเขาชอบฟังหรือไม่ชอบฟังเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรพูดคุยพม่คพูดพูดในสิ่งที่เขาชอบฟังดีกว่ า, วา <laughs> สมุนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือนพูดในเรื่องที่เขามีความเห็นพ้องต้องกันกับเรา เรื่องที่ขัดกันก็อย่าไปอย่าไปพูดีย๋ยวมันจะทะเลาะกันเจ้าค่ะคําถามจากท่านเดิมค่ะคุณการชะตาที่ถามเรื่องการครบขอความเมตตาอีกข้อค่ะมีกรณีใดหรือไม่ที่ตัวเรากลายเป็นคนพาลให้กับตัวเองจะ ต, ต้องพันความพาลของตัวเองนั้นอย่างไรดีเจ้าค่ะนี่ก็เวลาเราเนื้ออยากจะไปกินเหล้าเนี่ก็คนพาลในตัวเราเกิดนะ เวลาที่เราอยากจะไปเล่นการพนั น, นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะไปทาบาปเนี่ยก็คนพานยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันว่า ม, มีมีพานมาชวนะนะเนี่ยเราไม่ครบคนพา น, นไม่ครบคนพานเป็นมิตรไม่ไม่ครบคนเช่าอ บ, บายมุขเป็นมิตรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ การเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว VS กับการมีครอบครัวมีลูกทั้งสองแบบรู้แต่ใช้ชีวิตดำเนินไปในทางธรรมทมนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาเหมือนกันในมุมมองของพระอาจารย์ชีวิตแบบไหนจะตัดพบชาติบรรลุธรรมได้เร็วกว่าเจ้าคะ อ, อั่องชีวิตของนักบวช น, นะาถ้ามันเหมือนการโทจ้าก็ไม่ต้องมาบวชให้เสียเวลาเป็นเจ้าชายสิสจถ้าไป มันทางคาราวามันเป็นทางที่ไปไม่ไปมันไปไม่ถึงฝั่งพูดง่ายๆมันมีอุปรสรรเนี้ยมันจะไม่ทันการต้องไปเป็นนั้งหวยคำถามอีกข้อจากท่านเดิมค่ะถ้าเรารู้ว่าเราต้องใช้กรรมกับคู่ครองคนนี้ แต่เราเลือกที่จะตัดวงจรชาตินี้เลือกที่จะไม่เป็นคู่กับคนนี้ชาติหน้าเราคงจะต้องใช้กรรมให้กับเขาอีกไหมเจ้าคะ่ะถ้ามันยังไม่หมดก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆจงังหวะมันจะหมดจากคน24คะ่ะนั่งสมาธิเป็นประจำ แต่ไม่ทุกวันและไปปฏิบัติกรรมฐานเป็นครั้งคราวอยู่เสมอใจไม่ฟุ้งซ่านสามารถนั่งได้อยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธสงบดีแต่ไม่เคยถึงสภาวะจิตรวมแบบนี้จะได้บุญกุศลจากภาวนาไหมเจ้าคะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ความสงบได้ความสงบมากเท่าไหร่ก็ได้บุญมากขึ้นไปทงนั้น คำถามจากคุณแองเจลติฟาการปฏิบัติเพื่อให้หนึ่งเกิดสติสองเกิดสมาธิทั้งสองข้อนี้ปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่และปฏิบัติอย่างไรขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเหมือนกันอนะ่ะการนั่งสมาธิก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสตินั่งก็จิตก็จะไม่สงบต้องฟุง้ก็จิต ก, ก็จะฟุง้งก็ต้องเจริญสติก่อนมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ในทุกริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย พอลืมตาขึ้นมาเราก็ควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เรียกว่าพุทธานุสติใช้พุทโธเป็นที่ตั้งของสติหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ืดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในอริยาบทใดกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ พอเวลามานั่งเราก็ใช้สติดูลมหายใจเขาออกแทนท่านั้นเองคําถามจากคุณอ่อนอโณงค่ะขออนุญาตพระอาจารย์ใน ก, รรนในการนําหนังสือชื่อนักเดินทางพิมพ์แจกเป็นธรรมทานได้ไหมเจ้าคะได้หนังสือของเราทุกเล่มไม่มีไม่ได้สมควรลิขิตแต่อย่างใดถ้าอยากเอาไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทานนี้ขออนุโมทนากับทุกท่าน มีข้อห้ามอย่างเดียวคืา อ, อย่าเอาไปจําหน่ายเอาไปขายเพื่อหวังผลกาไรทั้งนี้คำถามหมดเจ้าค่ะแล้วเนะะ่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้อหาสาระของคําแต่ถ้าเป็นคําคําที่อาจจะพูดผิดบ้างก็แก้ได้แต่ถ้าไปเปลี่ยนสาระความหมายของของธรรมที่แสดงก็ไม่ควรเปลี่ยนเพราะเดิมมันอาจจะทําให้อผิดได้ก็ ไมมมตตต้ออ้ต้อออองาาาาขนนญดดวยยยทพิธ์จเลัศคำถามจากคุณ D N Y A กับเรียนถามผ้อาจารย์ค่ะคนที่มักพูดจาทำร้ายใจิตใจผู้อื่นพูดแทงใจดำทำให้ผู้อื่นทุกข์ใจแต่ถ้าเป็นความจริงบาปไหมคะและจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะถ้ามันไม่เป็นความจริงก็จะบาป ถ้าเป็นความจริงมันก็ไม่บาแต่มันก็อา จ, จะควรหรือไม่ควรก็ต้อง ด, ดูดูว่าควรหรือไม่ควรเพราะเราก็ต้องถนอมน้ําใจของคนเราด้วยกันเราต้องมีความเมตตาต่อกันด้วยเวลาเราพูดอะไรถ้าไม่จําเป็นจะต้องพูดก็อย่าไปพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วไปทําให้เขาเสียใจหรือทาให้เขาทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องพูดก็พูดไปแต่ก็อาจจะมีเวรตามมาเขาอาจจะเกลียดเราก็าอาจจะจองเวรเราก็ได้ Okay. คำถามจากคุณภาสกรค่ะถ้าต้องการมาบวชพระปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มีระเบียบอย่างไรบ้างครับเราไม่ได้เป็นผู้รับบวชเราเราเป็นเพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้นเองอากจะบวชอยากจะอยู่วัดนี้ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวัาดเราเป็นเพียงแต่ลูกวัดเท่านั้นเราไม่ได้ทําหน้าทีน่นี้ติดต่อกับเจ้าอาวัาดได้ว่าอยากจะมาขอบวชเราตั้ง็จะพิจนารณาตามความเหมาะสมต่อไป บวชแล้วก็อยากจะมาศึกษาก็มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาถามปัญหาได้ถ้าอยากจะมีคําถามอะไรบวนแล้วเลยบวชแล้วก็คิดว่าท่านนี้ก่อนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด